ญาณพระองค์นั้นขอนอบน้อม ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมผู้ไฝ่บุญอ่ะมามือลงเด้อบาดนี้เอิ่ม หม่อมมี่ก็ย้ายหม่องใหม่แล้วบาดบ่ซั่นเอามาฟังๆตามที่จริงถ่ายตู้มอนิเตอร์อีกตัวนึงใกล้ๆทางอันผู้ใดอยู่ทางพุ่น เออหันเออเพิ่นเปิดเข้าป่าไปให้ไผ โอ้นี่ตัวนึงพูเออเอาออกเออไผก็จ้างมานะโรง <c oughs> เออบ่กลับผ่านมาดูอยู่หรอกผ่านไปเทศน์พุ่น เห็นหน้าก็คือองค์เคลื่อนที่นี่แล้วบาด ผู้เฒ่าเต็ม 1 มีแต่ผู่งามๆแนวจะแต่งเบิดนั้น เออทหารตำรวจว่ามันไปเบิดคือพอออกโลดบ่ได้เซาเออแต่ <c oughs> เออโรงพยาบาลหยังคือน้อยแท้เอาเอาของว่างเอออันของซื่อมาน่ะวางไว้อ่า พยาบาลนี่ตามที่จริงพยาบาลเครื่องหมอเพิ่นนี่อาตมา เสดแม่เพิ่นก็คือแม่เจ้าของเพิ่นใจดี <S an> คนแลมาก็บ่ขี้เดียดขาวมาก็บ่ขี้ เออบ่ว่าหน่วยงานใดคือกันเด้ครูก็คือกันหลังเถื่อก็ดินพยาบาลอะไรมีแต่ฉันหมดอะไรก็มี บ่ต้องไปเครียดเด้อบาดนี้ได้อืมบ่ต้องไปเสียใจดอกเออมันอืม คำว่าบาปบุญนี่มันบ่ได้เบิ่งไกลเด้บัดนี่ถ้าใจดีก็เป็นบุญใจคลุญก็บาปเท่านั้นแหดีดอกใจดี เจี้ยนบ่เซาใหญ่เจตนาบ่เจริญผัวเพิ่นมันมีเมียน้อยถ้ากู ย่านโพดย่านจะบ่ได้เออคั่นอยากคั่นอยากให้มันดีมันเป็นพยาบาล <c oughs> มาสร้างบารมีเออสั่งอีกไกลซะเด้บัดสุดท้ายบัดนี่ก็มาเป็นพระพุทธเจ้าเด้อบัดนี้เออโว้ยบ่ได้ปรารถนาปนั่นมันเป็นเอ็งมั่นตัวเอออดีต ตั๋วไปอาตมาเป็นพระพุทธเจ้าตัดสลูเป็นพระอรหันต์ไปมันเป็นจังซี่เบิดทุกคนตัวพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จนเมื่อยอาตมานี่ก็คือกันเกิดเป็นสัตว์เบิดทุก <c oughs> เออเกิดเป็นอีแห้งก็เป็นเป็นหัวหน้าอีแห้งเป็นหมูเออครู บ่เกิดเป็นสร้างพระสังพระโพธิสัตว์บาทไผขอหยังให้เบิดเด้พระโพธิสัตว์ได้ยินบ่พยาบาลไผขอหยังให้เบิดเด้ผู้ใดขอผัวก็ให้ไปโลดอย่างงี้คนหมอก็บ่ขอเมียก็ แต่ว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นสั่งบารมีก่อนสิมาตรัสรู้น่ะเป็นพระญาติสร้างบาติเทวดาทัศน์ไปในป่าไปหากินในป่าน่ะ เออพญาสังเพือกย่างกินมาเลยบ่ได้ยินเสียงเป็นหยังล่ะนายพานบ่มีทางเบื้อได้สิเบื้อทางใด๋เบื้อบ่ถึงโอ้ยมันคือตะลีต้นแท้คือเข้ามาเลิกแท้เพราะเขาย่างมาเรื่อยๆแล้วบ่ขึ้นมาสิ พาย่างต่วมต่วมไปพุ่นน่ะจอดออกป่าโอ้ยขอบพระคุณเด้อพระญาติสร้างอย่ามา <c oughs> <c oughs> เมื่อหอดในเมืองบ่ได้กินข้าวกินปลาแล้วเพิ่นได้พานเพิ่นห้วยมันอีหยังน้อนี่หน้านี่ห้วย 8 อัฐ 5 อัฐโคมีๆดี โอ้งาช้างมีละข้างโอยไผมีงาช้างรวยตัวเป็นอีหลีบ่แม่นอีหลีหน่ายผ่าน เจ้ามาหยังเหล่านายพานก็คึดฮอดพญาสร้างนี่แล้วคึดฮอดจังไดเจ้าก็คล่อยก็ซ่านเครื่องก็สิบ่ได้ซะบ่เดี๋ยวโอ้ยพญาสร้างเอ้ยเกิดซ่าน หาฟืนหาหยังกินก็บ่พอกินลูกเต้าก็บ่พอเมียก็บ่พอมันบ่มีหม่องเบิงเลยก็เลยสิถอดไป Why is it unlike a person that knows his sociedad as a junior as a Israeli. Second rule was that there were conditions who were dalamut paha, aquí enehing and it was still one state and there were conditions that were those conditions, What was that? พ่อเดหางนี่มีน้ำเขาแดเขามีเฮือนหลังใหญ่เอ้าอยากได้ก็ เอาเลื่อยมาเลื่อยเอาเลื่อยติล่ะเบิดมื้อเฒ่าค่ำก็สิได้งานนึงให้เอาไปติล่ะเอาเลื่อยไปส่ง <busy> ก็ขออยู่ก็ไปย่างไปส่งก็แบบบ่ได้ไกลเวลานั้นกันล่ะโคโลเอ้าเอ้าไปก็ไปขอโทษเด้อเดี๋ยวเอาหน้าขึ้นใหญ่ได้เงินบาดโอ้ยหน้า เออคนบ่ฮู้จักใช้เนาะคือคนคู่มื้อนี่ล่ะได้หากินสิบ่เห็นบ่เด็กน้อยคู่มื้อนี่เบิ่งมันอีพ่อซื้อพ่อซ่ําเด้มุสิตั้งใจเฮียนบ่ล่ะก็ต้องเฮียนเนาะ กอดแม่หอมแม่เออชื่อมันจะเฒ่าหรือต้นแงแงแงโอ้ยลูกเอ้ยอย่าเอาหน้าไปวัด แล้วอีกอย่างนึงมันเป็นจังสิตัวคน โอ้ยเฮ็ดได้แล้วบ่นี่มันคือบ่เข้าแต่เราบ่ได้กูคิดโผคิดพานโหไปขอกับพญาสังอีกคนเว้ยพุ่นบ่มาหาอีหมันหยังล่ะในพานโอ้ยก็ขอโทษขอเอาไปเด้อมันคือหนอดแง้งบ่ได้เห็นพญาสังกินข้าวบ่แซ่บเนาะบ่หลับเว้าตั๋วพญา มันอีหยังเราสิมาให้ใส่อีกแล้วมันเรื่องอีหยัง อิจขอจังได้มันเบิดพญาสางบ่แต่ขอก็ <Christina. S 1> <ห>โหว่าพระพุทธศาสน์เพิ่นว่าจังได๋พระพุทธเจ้าเพิ่นเป็นพญาสัง ตัวแต่โทรมาจะให้อะไรขาข้อมันติ่มสมบ่บอกได้พ้อนี่ตีนเหยียบไปแปรๆโอ้อย่าให้ศีลค่อยดั่งพอยต้องค่อยอธิษฐานมาแล้วก็สิ แม่ทรณีนี่ก็แยกตกด้วยประละวาดลงพยาบาลนี่เป็น ผัดมาลงคนไข่อีหลีเด้ที่มันเป็นแนวนี้พอ เออเขาก็พาย่างจงก้มพะนั่งสมาธิเนาะเพื่ออยากให้โอ้ยพี่สาวพุทธศาสนามากู หัวหน้าคู่ก็เลยว่าสินิมนต์ไผนอกมา โธ่กะอดเอาแน่ซั่นแล้วบัดสอนเด็กน้อยกะอดทนอดเบิดแล้วเจ้าบ่แนวนี้ดอกเจ้าบ่ดอก พระพุทธเจ้าสอนวิชาหยังอาตมาก็ถามเพิ่นติล่ะก็สอนศีลสมาธิพุทธเจ้าตัวเออเว้าตัวนั้นก็ถูกแต่ตัวหลักๆมันก็คือสอนวิชาผลทุกข์มาปดทุกข์เป็นบ่ เออซ่อเพิ่นไปแล้วบาดซัมมี่เจ้าก็ยังอดบ่ได้บัดเฮ็ดจังได๋บ่หาลูกเจ้าติดหญ้าบัดเฮ็ดจังได๋บ่หาเมียเจ้าหือแต่บักตัวนี้ที่ เฮ็ดนี่เจ้าเจ้าซ้อมเบิ่งเด้อเดี๋ยวนี้เบิ่งมันขาดกันเออ มันก็บ่จักเพราะมันบ่ได้ศึกษาเออแล้วก็ส่วนมากบัดนี้ก็ทําดีก็ติดดีเอาดีไปกัด <st poser> <book sub arkadaş S 1> <c music> อาตมาวนษาสิออกกฎหมายเอาพวกนักการเมืองน่ะมาปฏิบัติธรรมเดือนนึงพุ่นน่ะมันได้ ทีแรกก็บ่อยากบวชเด้ใหญ่มันบ่ม่วนเป็น จักเดือนนึงเล่นๆเด้จุดถูกเก้าดอกปักกลุงประหาร 7 มื้อแม่รถย่างได้ตายแล้วกูวัดกะไหล่เด้บวชบวชก็ๆตี้ละบวชหาย นอนกลางเว้นถึงฮอดปุฏิณพระเอ้าจากเอ้าใหญ่เอาไปเอามาไปอยู่กุฏิหลังเดียว โอยทุกข์แล้วใหญ่เอ่ยเออผู้ละคนก็วานแล้วโอ้ยกินแล้วก็ มาโกนหัวก็สมมุติว่าพระซื่อๆได้นี่พวกพุทธเจ้า เจ้าว่าอาตมาบวชเพิ่นวัดบ่พ่องเพิ่นบ่ได้บวชให้เลยบ่นุ่งผ้าขาวที่ 3 บ่ได้เพิ่นก็บ่บวชให้บวชเข้ามานุ่งผ้าเอ้าเจ้าคิด จากห้องเพลงอยู่ห้องอาหารห้องเพลงให้เป๊ะถ้าพ่อใหญ่เป๋มฟังห้องเพลงให้ผู้นั้น เจเขาว่าอเถิมห่องปิ้งม้วนๆห่อง COO ให้ฟังในแห่ง 500 บ่อธิษฐานให้แม่บัดแม่เพิ่นย่างบ่ได้ติละบาทฮักแม่อุทิศให้เจ้ากรรมได้เว้นแม่จักเดือน ให้ชักทื้อเกี่ยวเข้ามามันจักสึกให้เก่าทื้อมันจักสึกอ่าเจ้าว่าเพิ่นให้หนุงพ่อขาวไผมาบวชนำตำรวจทหารมาบวชคุณเอาปริญญาของคุณไปทิ้งไว้หน้าวัดดุ้นเอาแต่ตัวเข้ามาอย่าถือว่าว่าเป็น มาก็มาล้างตีนนํากันติล่ะล้างตีนหลวงปู่ซาล้างนํากันรถธิฐิมนะลงไปซวมก็ล้างๆลง พวกคณะทัวร์อาจารย์ก็ขอเข้าห้องน้ําห้องส้วมก่อนนะคะขอขี้ก่อนเด้อเด้อไปเพิ่นก็จ้าๆๆๆจ้าเพิ่นก็ยาง โอ้ยต้นไม้จริงใหญ่นะเธอเย็นๆนะเธอนะอากาศบริสุทธิ์เพิ่นเห็นกระลอกก็แตะอุ้ยเธอๆอะไรนั่นเธอ พอล้างก่อนสวมบ่ล้างผักขาวติล่ะใบสาม่าเจ้าอาวาสถือกระแป๋งเด้อบาดนี่กาแฟกะแป๋ง ก็ไปล้างซอยเพิ่นติล่ะเอาเน้นเน้นมาล้างผู้ละคนเฮ้ยผมอยู่บ้านผมบ่ เน้นเนนไปเบิ่งติล่ะหลังอันห้องสวมมันเป็นจังได๋โอ้ยเน้นก็ เจ้าขึ้นเบิ่งว่ามันเหม็นซ่ําไดล่ะใหญ่แน่นปุ๋มกักสวมน่ะเจ้าอาวาสๆหดๆๆ ซ่ําอยู่ในหั่นเป็นๆนี่พ่อขาวเด้อนี่ขี้คนนี่ดีๆเด้พอเบิ่งได้ต้นใหม่ส่างงามงาม หลวงพ่อเพิ่นเฮ็ดให้เบิ่งเพิ่นบ่ขี้เดียดเพิ่นสอนให้เฮาบาดนี้ฮอดครับไป หลวงพ่อก็เลยว่าบ่เด้อมาถิ่มวัดพี่เด้อสิให้ดอกขามมาถิ่มคันละ 50 บาทโอ้ยแม่นบ่ให้ก็สิมาถิ่มอยู่คันให้ถิ่มไป คนข้างวัดโดดเขียนจดหมายไปสถานีแห่งประเทศไทยว่าเจ้าอาวาสเล่นขี่ว่าซั่นเล่นสิ่งประติกูลกลัวจะเป็นอชีวาตกะโลกว่า <c oughs> ไม่เป็นพระเป็นกันชนให้พระตายก่อนไม่เป็นไรแดดๆเชื้อไม 20 นาทีมันก็ตายหรอกถูก <laughs> ผ่านไปแค่ 3 เดือนฝนสาดมาจักหน่อยบักเออจังว่าผลพลอยได้จังว่าใหญ่บักแข้งก็มีเด้ใหญ่ไผสิไปคิดว่าบักคึกคืนพันดีๆก็ เมสซี่วัดบะพุ่งบ่ได้ซื้อมันมื้อโอ้ยเมสซี่เฮ็ดอีหยังขะน้อยเก็บบักพริกมาแต่ก่อนคือบ่ เพิ่นเอาขี้มาโหดต้องไว้บ่เอาดอกเด้อซั่นว่าหม่องใด๋เขาก็เอาขี้โหดเบิดนั่นล่ะบ่อยแต่ว่าอาตมาบวชอยู่ <selections> <other> <se> 빈ธบาด แล้วก็เฝ้ารับบาดนําเพิ่นกู้เข้ารับเฝ้ามาเฝ้าน้ําล้างตีนให้เพิ่นเสร็จตีนเออหมู่ อยู่บ้านเพ็ดให้พ่อแม่ให้จักเทื่อนําพุทธเจ้าครับบ่เทนหมู่ล้างตีนแล้วไปเอามาก็บ่ล้างเอาไปเอามาบ่คิดพ่อบ่ประบวชผมสวยแฮงๆอีหลีเลยผู้ไหน บ้านนี้พระฝรั่งองค์แรกที่บวชบวชตั้งแต่ 2509 เพิ่นเพิ่น บาดีนี้เพิ่นมาหัดคุณต้องบวดสมาธิอยู่วัดมหาธาตุนั่งไปนั่ง 2509 เพิ่นเลยไปบวช เพิ่นเว้าให้อาตมาฟังนะบัดเพิ่นมาอยู่มาอยู่นมกัดนี่วานน้องบพโภคอาตมาถามเพิ่นเป็นครับเพิ่นว่าเพิ่นเป็นทุกข์หลายถูกกับเมียเพิ่นเออ พระเภนพระพุทธเจ้าอดข้าว 7 วันอ่า 45 วันจนคน 7 วันพอ 8 น้ํามันลดแล้วผม เกิดอะไรอัตามะแด้ว่าโทรสุ puede l'alance, enjar pas la calificabiadudti iana, ôm ice і Körperjarladeff เป็นอะไร искry not to be a loser ยังเก็บ Pittsburgh's Mercy, � recur my generation of people.орsecan 보시면iciency at that point per hour.ok этотí вattach Hero assim and now I believe is my son. Me and actually he fell into this condition and so I didn't have to differentiate with myself. At his บาดนี้ออกมาเพิ่นว่าผมเลยเข้าไปกราบถ้าอยากปฏิบัติเข้ม เราได้เดินทางไปตอนนั้นสงครามเวียดนามพอดี มึงจะบังของอีห่านี่ยังบ่เพิ่นเพิ่นมาเบิ่งภาพฝรั่งเพิ่นก็ไปอยู่วัดประโพงบาทฝรั่งเขาลดถือเรื่องยืนเบิ่งหมู่พระล้าง อยู่เป็นเดือนภาคไทยก็เลยว่าคุณสุเมโธทําไมคุณไม่นี่ขี้ขาดล้างตีนเอง <c oughs> อยู่ไปอยู่มาเพิ่นถือตัวหลายน่ะใหญ่ว่าเป็นฝรั่งโอ้ยขี้ค้าน <c oughs> เพิ่นเพิ่นฮู้นะว่าบักศรีดาแบบพะลาเอาไปเอามาบ่มีหมู่บ่มีไผอยากเว้านําติล่ะพอนั่นมา บินทบาดทั้ง 3 4 สายเด็ดปลายแห่งมาตัว 8 ตอนพระ 8 องค์กล้วย 2 หน่วยก็ 8 ตอนไม่วัด 2 3 คนก็ปนกระแจวได้ถ้วยซํานี้พระไทยก็บินทบานมา <laughs> หลวงปูซาก็หักป่าเป็น 8 ตอนแล้วก็ให้พระพุทธเทศแจกได้กลางก็เอาป่าเข้มๆแม่นบ่ข้าวก็รองลงเพิ่นละ กล้วยก็ซอยลบป้าแหงก็ย่องลงนั่นน้ําอยู่กะเท เฮ็ดอาหารฝรั่งให้เพิ่นเนาะขาน้อยหลวงปู่ซาว่าจังได๋บ่ต้องเคย เพิกแค่มาได้หลวงปู่ซาบอกว่าโอเคเพิ่นก็โอเคเปิ่นก็ยอมเออบ่เฮ็ดอาหารฝรั่งให้ ลําไว้หน้าบวชเลยทุกชิปาเลยเพิ่นว่าตัดน้ําก็สร้างก็เลิกถึง 14 เมตรพุ่นหาม ทุกชิบหายเลยพุทธวันไหนก็เจ๊าพุทธสเตกเนื้อสันก็ไม่มีเลยเรา กวดไปนําจะให้ไปนํากวดเดินจังซี่เนาะแฮงๆง่ายกุมทิบแล้วบาดหลวงปู่ซาเดี๋ยวเห็นเปายฝรั่งเกลียดให้ฝรั่งเอ้ยเพิ่น ได้ย่างไปข้างหลังเอามือเขี่ยสุเมโธอะไรครับวัดหนองประพงทุกข์ไหมอะไรครับวัด แต่ว่าปัญญาปลดทุกข์ตัวนี้มันเพิ่นบ่ได้เฮียน พยาบาลก็คือกันอันนั้นสู้เก่งซํานึงก็ได้เป็นพยาบาลสิให้ซํานึงก็ทําอีกตําแหน่งนึงแต่ว่าอาจารย์สมไม่ทราบรถทุกข์หลายถ้า ส่ำก็สิออกลูกกันล่ะไปสัมปวนขี้สิออกลูกพุ่นน่ะอันเดียวกันฮะก็คือแต่ว่าอาตมายังให้เก่าเทื่อไปนี่เว้าว่าวัดหนองประพงเป็นทุกหมายเปิ้นถือไม่กวดยืน โอ้คนบาปนี่วัดหนองประพงไม่ทุกข์เลยวัดหนองประพงอยู่โอ้มายกอดอาจารย์เอาไปกินใช่เดี๋ยว <c oughs> โอ้อาจารย์ชาให้ปัญญาเล่าความทุกข์มันได้เกิดที่ใครเกิดที่ตัวเราเราไม่พอใจคนนั้นคนประเทศชาติก็สบายถ้ามัน oh, รูปเออก็มันทิฐิที่จะว่ามันบ่ลดที่จะว่าอ้าวความทุกข์บ่ได้เกิดอ้าวคนห้วย <laughs> แม่ใหญ่เอ้ยตัดสลู้ปั๊บโอ้ยอาจารย์ชาให้ปัญญาเล่าความทุกข์มันได้เกิดที่ใครเกิดที่ตัวเราเราต้องดับที่ตัวเราเช้าสั่งหมู่เลยบัดมากให้ผมวันเอาฝรั่งเกิด ไผบาทได้เฝ้าย่างมาติขายาวๆย่างมาสลากกลับมาบาทวางไว้เฝ้าตัดน้ําสิคุถ้าล้างตีนก่อนหมู่เลยบาดนี้หลวง คำว่าเดินทุรดงบ่เอ้าคุณสุเมโธต่อไปเดินดูสัจธรรมที่เรารู้เรื่องว่าไม่ได้เกิดที่ใครเกิดที่ คนสุเมโธตั้งสติดีๆดูแยกเวทนาออกเองด้วยอันตโนมัติเอาเดินไหวของสังขารดูเหนื่อยละเกินเหนื่อยก็ช่าง ผมคิดเอ้าเราระเบิงไป 20 กิโลบ่ฮู้เมื่อเพิ่นได้บอกว่าเอ้าพักเอ้าฉันน้ําคืนเดียวก็พอนะเพราะเรา 10 กิโลเดี๋ยวเราจะเดินน่ะลําบากเพราะว่า เอาไปเอามาเก่งเลยเอาเบิงถูกมันเกิดขึ้น 4-5 วันเดินอีก 20 โอ้ยอาจารย์ ลูกขนอยน่ะ 3 เดือนดิกู้นี่ยืมสินมาตั้งกองบวชให้มัน บ่อยากเมื่อบ่ข้าน้อยนั่นแหละอยากนะคือผัวเมียจังสิ <c oughs> เจ้าว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นว่ามือออกพรรษาน่ะเออโมปวรณาต่อ ข้าแต่สงฆ์ขอปวรณาถ้าผู้ข้าเฮ็ดผิดสอนผู้ข้า ปะติตะพ่อแม่บ่บรรลนาต่อกันแม่นบ่ล่ะพ่อผมถามเด้อค่อยเห็นหยังผิดเด้อเจ้าก็บอกค่อยแน่เด้อถ้าค่อยปากบ่แดกหลายโพกก็ดีเด้อพ่อเด้อถ้า แม่ก็เตือนได้เด้อถ้าผู้ใดเว้ากันตัว พรเนี่ยผิดกันก็ย้อนทีๆอันเคยคมผัวบ่เซาก็คมบ่เซาจังว่าอาตมานั่งอยู่ เขียนอยู่โกงของโนนตะดําปื้ปื้มาปากเพิ่นกะๆมานี่เบิ่งไกลๆบ่แม่นก้นถูกบ่เป็ดเข้าไปเพิ่นกะกราบ มาแต่ไสล่ะนานมาแต่ในการถลากหลวงพ่อเจ้าเฮ็ดอีหยังคั่นได้เป็นคู่มีหยังล่ะบ่มีหม่อง ได้ผ้าบ่ไปนําผัวคือเบิ่งติผัวเสียก็ไป เขามีเมียน้อยด้วยขะน้อยเมียน้อยจักปี 18 ปีอยู่ใส่ล่ะในปี 38 ก็ปล่อยไป แต่มันมันไปกับพ่อออนี่ล่ะไปแต่ช่างพโลไปลงถึงกับพ่อครับโอ้ยคือเฮ็ดจังได๋ล่ะแล้วให้ธรรมชาติลง <c oughs> <c oughs> บ่ติดอ่ะจะได้พวกขึ้นปรึกษาเฮายังมาหายเฮาตื่นอยากโดยโอยแม้อัตมามัน 3 คนเด้พี่เอ้ามา <laughs> อยากได้คืนได้ขน้อยคันอยากได้คืนล่ะสิเชื่อหลวงพ่อบ่ล่ะหลวงพ่อว่าเบิงพอเฮ็ดมาเมาผู้คืนมา เจ้าคือไปเว้าจังซั่นมันจะฮ้ายเด้อหลวงพ่อคนโบราณนั่นเขาบ่ให้ด่าผัวตัวพันผ้าเขาก็ให้ <laughs> <laughs> อาตมาก็เล่นนั่งคิดในใจโอ๊ยผู้หญิงคนนี้เอาแต่ใจตัวเอง เคยคมผัวมาตลอดบ่ได้ตั้งใจกิริยาศอสกุลมียิ่งแต่งตัวให้ไผเบิ่ง เพราะว่าว่าโอ้ยแม่ชุดนี้มันเสิบสวบสวบเกินไปแล้วมันไม่เหมาะเลยแม่ แต่งโตก็บ่เป็นแต่หลวงพ่อคือเป็นเป็นพอหลวงพ่อสิแต่งเป็น อาตมาก็เลยเดี๋ยวเบิ่งหั่นโอ้ยก็เป็นแต่เขาฝ่าปะ <c oughs> สวัสดีครับป๋ายินดีต้อนรับนะคะเชิญนั่งค่ะเค้าก็นวดแข็งนวดขาให้ท่านอะไรดีครับป๋าอะไรก็ได้พี่พรา ไปเว้าตายแนวนี่ดูเขาดูเราบอกพากสวัสดีค่ะบ่ได้ผัวคืนเด้อตัวบ่ตั้งสิๆเด้ ที่ปราบยากขอหยังเจ้าของไปด่าเขาหลายพูดอีหลีแนวคนโบราณบอกไว้นี่ถูกต้องเลยจังว่าคน ท่าทางพะโลเว้ยผู้บางคนนี่ด่าบ่เซาเด้ตีบ่ หักมึงอายได้ได้ได้ได้ซิร่ำว่ะล่ะหักมึงตัดตังค์มึงด่าจนเคยโตนี่เจ้า ถ้าอยากปรับผัวได้ดีๆนั่นอย่าไปเว้ายามเมาถ้า <c oughs> La yap o ma la yap. Lia sai luk My name is here Ay我有 qipa vaば caara, jogo bar kwa jir kitu Eo ma mea gu tu bòi Eo ni na ma nok ma na ni thad salad ni Pua pa pa pa saay dòg Pua ma te pua mao pa ka yu nyeo chak, chak, kang thang Mea ka pa yu nbang khuip hai Eo ra thau, sang nyeo iphone Ooi mea hao pa griet rao Bung mea pa siin ti ka pa sao Mea hao pa nyeo pa lai ka pa yu nbang hai poa อากระเจ้าบ่มีระดับประเทศซายอ้วนกันได้ดิให้มันจะ มีหยังก็บ่ดีคือกันได้จังซี่มา 2 3 เทื่อก็จังเชิญเด้อขออย่าสิกัดแห้งแข่วน่ะถ้ามันเกินโคตาบาดนี้ก็กินข้าวพี่ไม่อยาก kët hen de po